ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งร้ยสามสิบเอ็ดภาคที่หกเรื่องอุบาสกชื่อมหาการพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบอุบาสกผู้โสดาบันคนหนึ่งชื่อมหาการตรัสพระธรรมเทศนานิว่าอัตนาวะกะตังป่าปังอัตชัง อัตสัมภวังภิมัถติทุมเมตังวชิรังวัมหยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่ำยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่ำยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นได้ยินว่า มหาการนั้นเป็นผู้รักษาอุโบสถแ8วันต่อเดือนคือเดือนละ8วันสังธรรมกะตาตลอดคืนยันรุ่งในวิหารครั้งนั้นพวกโจรตัดที่ต่อในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนถือเอาห่อสิ่งของไปถูกพวกเจ้าของตื่นขึ้นพระเสียงภาชนะโลหะ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 ผู้ฟังธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งกำลังล้างหน้าอยู่ที่ริมจัโบกกรณีแต่เช้าตรู่โจรคนนั้นจึงวางห่อสิ่งของเอาไว้ข้างหน้านายมหาการนั้นแล้วก็หลบหนีไปบวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาได้พบห่อสิ่งของแล้วจึงจับนายมหาการนั้นไว้ด้วยกล่าวว่า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 อุบาสกฟังธรรมกถาอยู่ในวิหารได้มรณะไม่สมควรเลยดันงนี้แล้วจึงได้กราบทูลแก่พระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายในมหาการนี้ได้มรณะไม่สมควรในอัตภาพนี้แต่เขาได้มรณะสมควรแก่กรรมที่ทำไว้แล้วในการก่อนนั่นแหละ ประชาดาอันภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่านั้นทูลอารัสนาแล้วจึงตรัสบุรพกรรมของนายม า, าการนั้นว่าดังได้สดับมาในอดีตการพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งปัจจันตะคามแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมเขตแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าปรานาสี พระราชาทรงตั้งราชพัฏคือข้าราชการคนหนึ่งไว้ที่ปากดงราชพัฏนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝ่กข้างนี้สู่ฝ่กข้างโน้นนำคนจากฝ่กข้างโน้นมาสู่ฝ่กข้างนี้ต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาภริยารูปสวยของตนขึ้นสู่ยานน้อยแล้ว ได้ไปถึงที่นั้นราชาพัฏพอเห็นหญิงนั้นก็เกิดสิเนหาเมื่อมนุษย์นั้นแม้กล่าวว่านายขอท่านจงช่วยกระผมทั้งสองให้ผ่านพ้นดงเถิดก็ตอบว่าบัด น, นี้ข้ามือเสียแล้วเช้าตรูเ่เถอะเราจะช่วยให้ท่านพ้นไปมนุษย์ปุนันนายยังมีเวลา ขอโปรโดนำกระผมทั้งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะราชบัตรกลับเธอท่านผู้เจริญอาหารและที่พักอาศัยจะมีในเรือนของเราทีเดียวมนุษย์นั้นไม่ปรารถนากลับเลยฝ่ายราชบัตรนั้นจึงให้สัญญาณแก่พวกบรุษยังยานน้อยให้กลับแล้วให้ที่พักอาศัยที่ซุมประตูให้ตระเตรียมอาหารแก่เขา ผู้ไม่ปรารถนาเลยก็ในเรือนราชบัตรนั้นมีแก้วมณีดวงหนึ่งเขาให้เอาแก้มณีนั้นซ่อนไว้ในซอกแห่งยาด น, น้อยของมนุษย์ผู้นั้นแล้วในเวลาจวนรุ่งให้ทำเสียงเป็นพวกโจนเข้าไปในบ้านลําดับนั้นพวกบุุษแจ้งแกเขาว่านายแก้วมณีถูกพวกโจรลักเอาไปแล้ว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 เจ้าลักเอาแก้วมณีหนีไปดังนี้แล้วก็บบยแสดงแกนน่นายบ้านว่านายพวกผมจับตัวได้แล้วนายราชบัตรจึงพูดขึ้นว่าตัวเราเป็นถึงนายราชบัตรให้พักอาศัยในเรือนให้อาหารแล้วมันยังลักแก้มณีไปได้พวกเจ้าจงจับไอ้บุรุษ ช, ชั่วช้านี้ดังนี้แล้วให้ช่วยกันทุบตายแล้วให้ทิ้งเสีย นี่เป็นบรุรพกรรมของนายมาหากาศนั้นราชภัฒน์นั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเอเวจีไม่อยู่ในเอเวจีนั้นสิ้นกาลนานถูกทุบถึงความตายอย่างนั้นแหละในร้อยอัตภาพเพราะวิบากที่ยังเหลืออยู่ประศาสดาครั้นทรงแสดงบรุรพกรรม ของมหาการอย่างนั้นแล้วตรัสว่าพิษุตต้งหลายบาปกรรมอันตนทําไว้นั่นแหละย่อมย่อมยีสัตว์เหล่านี้ในอบายสีอย่างนี้ดั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอัตนาวะกะตังป่าปังอัตชังอัตสัมภวังอภิมัตติ ทุมเมธังวชิรังวัมหะยังมะนิงแปลว่าบาปอันตนทำไวเองเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่อมย่มยํายีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุดเพชรย่อมยีแก้มณีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในรรดาคำเหล่านั้นคำว่า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 แต่หินซึ่งนับบาเป็นที่ตั้งขึ้นของตนนั้นนั่นแหละคือทำให้เป็นช่องน้อยช่องใหญ่ทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทำให้ใช้ใส่ไม่ได้ฉันใดบาปอันตนทำไปแล้วเกิดในตนมีตนเป็นแดนเกิดย่ อ, อมย่อมยีคือกระจัดบุคคลผู้มีปัญญาสาม คือผู้ไร้ปัญญาในอบายทั้งสี่จะได้นนเหมือนกันในการจบเทศนาะภิกษุที่มาประชุมบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกชื่อมหากาล